จึงพูดขึ้นว่าฉันพูดเล่นรอกนะเอาเถอะในเมื่ออยากบวชก็จะบวชให้เธออ่านหนังสือออกไม่ใช่หรือจบประถมสีนี่นะใจที่ฟุบแฟบกลับมาฟูฟ่องอีกครั้งจึงตอบท่านว่าครับพอะอ่านออกเขียนได้ดีแล้วต้องหัดท่องคำบาลี ที่เรียกกันว่าขานนาคให้คล่องท่องได้เมื่อไหร่ก็บวชให้เมื่อนั้นใช้เวลาสักกี่วันครับหลวงพอ่อกว่าจะท่องได้ถามอย่างปิติก็ต้องแล้วแต่เธอถ้าความจําดีก็ได้เร็วไม่เกินสามวันเจดวันก็ได้แต่ถ้าความจําไม่ดีก็อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนเอาละ เดี๋ยวจะหาพระให้มาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลบอกกล่าวฉันไม่ค่อยมีเวลาไหนจะต้องคอยรับแขกที่มาเข้ากรรมฐานบางวันเขาก็นิมนต์ไปบรรยายธรรมตามที่ต่างๆครั้นจะไม่รับนิมนต์เขาก็จะติถินนินทาเอาได้ว่าไม่ทำหน้าที่พระประโยคหลังท่านบนไกลๆ พระที่หลวงพ่อว่าอยู่ไหนครับอยู่วัดนี้แหละสมชายมาหนีหน่อยสิท่านเรียกลูกศิษย์วัดซึ่งกำลังทาความสะอาดกุฏิอยู่ชั้นบนเด็กหนุ่มคลานเข้ามาหาท่านแล้วจึงถามหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมหรือครับช่วยไปดูสิว่าพระมหาบุญอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่บอกให้มาพบฉันหน่อย มีธุระจะพูดด้วยเด็กหนุ่มคลานออกไปจนถึงประตูแล้วจึงลุกขึ้นเดินสักครู่ก็กลับมาพร้อมพระรูปหนึ่งอายุประมาณ40สปีเมื่อมาถึงภิกษุรูปนั้นนั่งลงกราบเป็นจางคับระดิ์แล้วจึงถามขึ้นว่าลุงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับมีสิท่านมหา นี่เขาจะมาขอบวชจะให้ท่านมหาช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวบวชรู้จักท่านมหาเซสิโบเฮียลนายโบเฮียลยกมือไหว้แบบเดียวกับที่ท่านไหว้พระครูพร้อมกับยิ้มให้ท่านมหาคงต้องสอนเรื่องการกราบการไหว้ให้ด้วยคงหนักหน่อยละ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 ทนอึดอัดไปก่อนหน้าโบเฮียนะนะไม่เป็นไรครับผมต้องขอบคุณหลวงพ่อและท่านมหาที่ช่วยเหลือผมมากคำพูดนั้นไม่เพร้อนักถ้าว่าก็ออกมาจากใจจริงเอาละ่ะเป็นอันว่าเสร็จทุระแล้วท่านมหาพาไปที่กุฏิเลยมีอะไรขัดข้องก็มาบอกฉันได้ ขอให้เชื่อฟังท่านมหาคอนาโบเฮียวนะท่านหันไปสั่งในโบเฮียวซึ่งชายหนุ่มก็รับคำแข็งขันพระมหาบุญกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงบอกให้หนายโบเฮียวกราบบ้างหนุ่มยวนทำตามอย่างว่าง่ายแม้ท่าทางจะดูเก้กเกัลงๆด้วยไม่เคยทำมาก่อนนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา หากผู้ใดเดินผ่านกุฏิของพระมหาบุญก็จะได้ยินเสียงเกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษาหรือไม่ก็เป็นอุกาสะวันธามิพันเตส พ, พังอ ป, ปราทังขมาะเมพันเตดังออกมาจากกุฏิบางครั้งก็เป็นเสียงสวดยถาส พ, พี บางวันก็เป็นเสียงสวดธรรมจักแล้วแต่ว่าใครจะผ่านไปได้ยินตอนใดพระมหาบุญลงความเห็นว่าแม้ในบูเหียวจะดูเป็นคนเซ่อๆซ่อา ซ, อซอแต่ก็ว่านอนสอนง่ายมีความจำเป็นเลิศช่วเวลาเพียงสี่วันเขาก็สามารถท่องขานาคได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องแม่นยำการกราบการไหว้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 เป็นพระอนุสาวนาจารย์อีก25รูปเป็นพระอันดับทุกรูปล้วนเป็นพระวัดป่ามะม่วงทั้งสิ้นวันที่นายโบเฮียวบวชท่านพระครูงดออกบิณฑบาตโปรดสัตว์หนึ่งวันเมื่อออกจากกรรมฐานในตอนเช้าแล้วจึงจัดการให้ช่างตัดผมมาโกนผมให้ในายโบเฮียวโดยท่านนั่งดูอยู่ใกล้ ช่างตัดผมใช้กรรไกรตัดผมให้สั้นเสีย ก, ก่อนแล้วจึงใช้มีดโกนทันทีที่ใบมีดโกนสัมผัสหนังศีรษะนายโบเหียรรู้สึกเสียว่าไปทั่วสารพางพลันก็ระลึกนึกถึงบิดามารดาอยากให้บุคคลทั้งสองมาร่วมงานด้วยโดยเฉพาะบิดานั้นเขาคิดถึงมากไม่รู้ว่าป่านชนี้จะไปเกิดนาที่ใดแต่ก็คงไม่พ้นอบายภูมิเพราะท่านพระครู บ, บอกว่า คนที่ทำกรรมชั่วจะต้องไปเกิดที่นั่นคิดแล้วชายหนุ่มก็ร้องไห้แรกๆก็น้ำตาไหลเฉยๆหนักเข้าก็ถึงกับสะอื้นฮักๆจนท่านพระครูสังเกตรู้ส่วนช่างตัดผมไม่พูดว่ากระไรคงทำหน้าที่ของตนต่อไปเธอร้องไห้ทำไมหรือบูเหี้ยวว่าที่อุปชาถามผมผมคิดถึงพ่อกับแม่ครับ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 เขาก็ต้องได้เห็นแก้กรรมแล้วก็กลับไปเยี่ยมเขาได้จะมานั่งเสียอกเสียใจทำไมครับเขารับคําและหยุดร้องไห้แต่ยังสะอึกสะอื้นท่านพระครูหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้เข้าเช็ดน้ำมูกและน้ำตาเงียบกันไปครู่หนึ่งหนุ่มวัยเกือบส0สิบก็เอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อครับแล้วพ่อพ่อผม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 ไม่ลืมที่จะประนมมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งก่อนรับของฉันจะโกหกเธอทำไมกันเล่านายโบเฮียลเกรงท่านจะโกรธจึงพูดขึ้นว่าขอโทษครับถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดดีแล้วฉันขออนุโมทนาด้วยจำไว้เถิดว่าอะไรอะไรก็ไม่เหลือวิสัย ของบุคคลผู้มีความเพียรไปได้เจ้าอาวาสพูดให้กำลังใจเสร็จจาจการโกนผมท่านพระครูจึงบอกให้นายโบเหียวไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดเพื่อเตรียมเข้าพิธีในพระอุโบสถพิธีจะเริ่มในเวลาเกนาิกา9นาที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 เจ้าอาวาสวัดป่าม่วงท่านมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมามากสมัยที่บวชใหม่ๆท่านเจริญสมถกรรมฐานโดยการกำหนดพุทธโธเป็นองค์บริกรรมปฏิบัติสมถกรรมฐานอยู่หลายปีจนได้อภิญยาแต่ก็เป็นโลกิยะอภิน ญ, ญาซึ่งเมื่อมีได้ก็มีเสื่อมแต่ก็เป็นโลกิยะอภิญยาซึ่งเมื่อมีได้ก็เสื่อมได้ไม่แน่นอน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 เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและความคร่ำครวญเพื่อความอัศดงแห่งทุกข์และโทมานต์เพื่อบรรลุโลกุตระมักเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานนี้คือสติปัฏฐานสีนับเป็นโชคอันดีเป็นลาบอันประเสริฐของท่านพระครูที่ได้ไปพบกัลยาณมิตรด้วยพระในป่ารูปนั้น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 จึงทุดงไปประเทศพมา่าอีกหนึ่งเดือนรวมเวลาที่อยู่กับพระในป่า2เดือนเต็ม <verses> 1. 1> การดาเนินมันคาที่ถูกต้องหนึง่งการพบกระไรนามิตรหนึง่งความไม่ย่อหย่อนในการประกอบความเพียรหนึง่งและบุญบรารมีที่ได้สะสมมาแล้วแต่ชาติปางก่อนหนึง่ง องค์ประกอบทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุปัจจัยให้การปฏิบัติของท่านก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกระทั่งได้บรรลุโลกุตตรธรรมในที่สุดนับแต่บัดนั้นจนบัดนี้ท่านได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงและได้ตระหนักชัดแล้วว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี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 กินดื่มถ่ายอุจจาระปัสวะเป็นต้นวัดป่ามะม่วงจึงกลายเป็นสถานที่ดับร้อนผ่อนทุกของชนเป็นอันมากเพราะเป็นที่สัปปายะคือความสะดวกสีประการได้แก่เสนาสะนะสัปปายะมีที่พักอาศัยสะดวกอาหารสัปปายะมีอาหารการบริโภคสะดวกปุคละสัปปายะ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องทำให้สบายใจและธรรมะสปายะมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะแก่จริตของผู้ปฏิบัติธรรมความสะดวกสี่ประการนี้มีอยู่เพราะมูลในวัดป่ามะม่วงที่ท่านพระครูเจริญเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพระบเหีเยวกล่าวคำขอสมาทานกรรมฐานเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงซักถามพระบวชใหม่ คือต้องการทราบพื้นฐานความรู้พระมหาบุญท่านสอนอะไรมาบ้างรือยังท่านหมายถึงเรื่องการปฏิบัติสอนแล้วครับพระบวใหม่ตอบท่านสอนอะไรบ้างท่านสอนเหมือนกับที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละครับพระบุหียวตอบซื่อๆฉันยังไม่ไดีสอนเธอนี่นะ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 ผู้บวชใหม่ลุกตามและตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้ดีที่สุดเพราะศรัทธาระสาทะที่มีต่อท่านพระครูนั้นเป็นเสมือนโอสดขนานเอกที่จะทำให้ตนหายจากโรคได้ก่อนเดินจงกรมมีทั้งหมด6ระยะระยะที่ 1. หนึ่งมีหนึ่งนระยะที่สองก็มีสองนอ แล้วก็เพิ่มขึ้นระยะละหนึ่งหนาไปเรื่อยๆจนถึงระยะที่หก็กมีหกนาผู้เป็นอุปชาอธิบายหนาแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อถามอย่างใค ร, ร่รู้หากในใจคิดเล่นๆว่าหนานาแหนแหนอะไรกันวุ้ยหลวงพ่อนี่พี่กลจริงถ้าจะเอาคำแปลกันจริงๆมันก็ไม่มี เพราะมันเป็นคำอุทานเหมือนเวลาเราพูดว่าสุขจริงหนอดีจริงหนออะไรพวกนี้แต่ในการปฏิบัติธรรมเราเอาหนอมาใช้เป็นองค์บริกรรมเช่นขวาย่างหนอซสายย่างหนอหนอในที่นี้แปลว่ากําลังหรือจะแปลว่ารู้ก็ได้เหมือนกันคือรู้ปัจจุบัน เช่นรู้ว่าเรากำลังเดินรู้ว่าเรากำลังกินสรุป ก, ก็คือหนอเป็นตัวบอกให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะท่านพระครูอธิบายท่านไม่รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดพระโบยเหี่ยวจึงถามพระพระบวทใหม่ทุกรูป ก็เคยถามท่านแบบเดียวกันนี้มานักต่อ น, นักแล้วข้าใจแล้วครับถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อสอนผมเดินทั้ง6ระยะเลยได้ไหมครับวันหลังจะได้ไม่ต้องมารบกวนหลวงพ่อพระใหม่พูดด้วยความเกรงใจไม่ได้หรอกต้องเดินวันละหนึ่งระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่าใจร้อนปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นๆจึงจะได้ เอาละฉันจะเดินระยะที่หนึ่งให้ดูลาดับแรกยืนตัวตรงเอามือควยหลังนี่อย่างนี้พระบูเหียวทำตามหากมือที่ควยนั้นเอามือซ้ายทับมือขวาและแขนห้อยลงแบบสบายๆทำอย่างนั้นไม่ได้นี่ต้องเอามือขวาจับมือซ้าย แล้วยกมือที่ไขว้ขึ้นมาไว้บริเวณกระเบนเน็บไม่ใช่ห้อยสบายๆแบบนั้นท่านจับมือทั้งสองของพระใหม่และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเอาละเสร็จแล้วกำหนดยืนหนอห้าครั้งหายใจ ย, วยาวๆเอาสติไว้ที่ศีรษะพอบอกยืน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 และก็ทำได้โดยไม่ขัดข้องท่านพระครูพอใจที่เขาเป็นคนสอนง่ายหลวงพ่อครับทําไมต้องพูดว่ายืนหนอตั้งห้าครั้งหรอครับถึงจะสอนง่ายแต่ก็ชอบซักที่ต้องบริกรรมห้าครั้งก็เอามาจากตัจัปัญจกะกรรมฐานนั่นไงไหนบอกมาสิตาจัปัญจกะกรรมฐาน มีอะไรบ้างเกษาโลมานะขาทันตาตโจครับพระโบหีย ว, ว่าเร็วปรือเพราะเป็นคนจงเก่งแปลด้วยเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังครับดีมากนี่แหละการให้ยืนหนอห้าครั้งก็เพื่อจะให้พิจารณาผมขนเล็บ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 ไหนบอกมาก่อนสิว่าตอนนี้สติอยู่ที่ไหนที่เท้าครับดีมากเอาละทีนี้ก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าขวาเพราะเราจะก้าวเท้าขวาก่อนนี่ก้าวที่หนึ่งบริกรรมว่าอย่างนี้ขวาย่างเนาะต้องก้าวช้าๆแล้วการบริกรรม ก็ต้องให้ทันปัจจุบันด้วยนี่เห็นไหมเดินหนึ่งก้าวก็หนึ่งเนาะเอาละ่ะทีนี้จะก้าวเท้าซ้ายก็ย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายบริกรรมซ้ายอย่างเนาะพร้อมกับก้าวไปด้วยท่านลองเดินให้ดูสี่ห้าก้าแล้วจึงให้พระใหม่ลองทําดูพระบูเหียวก็เดินอย่างรวดเร็ว หยุดก่อนหยุดก่อนเดินเร็วอย่างนั้นไม่ได้ต้องเดินช้าช้าเหมือนอย่างที่ฉันเดินให้ดูนั่นไงทำไมต้องเดินช้าช้าด้วยล่ะครับหลวงพ่อถามเพราะไม่เข้าใจที่ต้องเดินช้าช้าก็เพื่อจะได้เห็นสัจธรรมเดินเร็วอิวริยาบทไปบังสัจธรรมหมดรู้หรื อ, อยังสัจธรรมคืออะไรครับ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 ฉันก็ไม่ได้ว่าเธอบ้า น, นี่นะจําไว้นะเมื่อเธอจะไปสอนคนอื่นต่อไปในวันข้างหน้าคนบ้าอย่าเอามาเข้ากรรมฐานเด็ดขาดบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเอาคนบ้ามาเข้ากรรมฐานจะทําให้หายได้ไม่จริงเลยมีแต่จะทําให้บ้าหนักขึ้นก็อย่างเมื่อเดือนที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิเทยียร์เลยสติไม่ค่อยดี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 พูดพร้อมกับก้มลงกราบเป็นจางข้าประดิษฐ์3ามครั้งแล้วจึงค่อยๆ ค, คลานถอยหลังออกมาคลันถึงประตูจึงหันหลังกลับลุกขึ้นเดินไปยังกุฏิของท่านซึ่งอยู่รวมกับพระมหาบุญขณะเดินท่านก็กำหนดซ้ายขวาไปตลอดทางกระนั้นเสียงหนอหนอหนอและเอาละเอาละเอาละก็ยังก้องอยู่ในโสตประสาทวันนี้ พระอุปชาของท่านใช้คำว่าหนอกับเอาละมากที่สุด